ยังนี้เลยอย่าัวตามาเสียใจมันคงไม่ได้อะไรถ้าเธอทำอยู่อย่างนั้นอย่าทำให้ฉันหูวอย่าทำให้ลำบากใจ ฉันที่จะไปตอนเธอทำใจไม่ได้ฉันก็รักเธอและอยากให้เธอเข้าใจไวย้ยากว่าการจะรักใครเท่าชีวิต จะเข้าใจ จะรักใครเท่าชีวิตหากแม้ใครสักคนต้องจากกันไป้วย